ดีใจเอได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขเอไม่หวงแต่มันหวงไหมพอเราได้อะไรมาแล้วมันเราจะหวง<ม>แล้วพอใครจะมาขอใครจะมาแย่งออกไปนี่เราจะไม่พอใจ<ม><ม>เช่นแฟนนี่พอได้แฟนมาแล้วก็หวงใครจะมาขอยืมไม่ได้อันนี้ขอยืมแฟนไปเที่ยวสักมันได้ไหม ไม่ได้แล้วถ้ารู้ว่าเขาแอบไปเที่ยวกันนี่โอ้ทีนี้ <c oughs> บ้านแตกสลา ข, ขาดขึ้นมาแล้วนี่แหละคือความทุกข์ที่ได้จากสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรา <c oughs> แฟนก็คือรูปเสียงกดลิ่นรถนี่เองรูปของแฟนเสียงของแฟนกลิ่นของแฟนรถของแฟนสัมผัสของแฟน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 หรือบางทีเขาเบื่อเราเขาอยากจะทิ้งเรามันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของความทุกข์ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะเราไม่คิดรอบครอบเราไม่เห็นสองอย่างของสิ่งต่างๆที่เราไปครอบครองหนึ่งเราไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงของลาบยศสรรเสริญ ของความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณ์ว่ามันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปพอมันหมดไปเราก็ร้องหอบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจสองมันเป็นมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้มันเป็นของเราอยู่กับเรา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 ก็จะทุกจะไม่จะไม่ทุกจะดีใจแต่มันก็จะทุกตอนที่เขาไม่ไปเกลียดก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีใช่ไหมบางคนเราเกลียดเนี่ยเกลียดใจเกลียดอยากจะให้มันหายไปมันก็ไม่ยอมหายไปนี่มันก็ต้องเจอมันอยู่เลยมือนก็มันตามมานี้ไปอยู่ที่นูน่น เ, เดี๋ยวก็ไปเจอมันที่นูน่นอีกนี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 สอนคนตาหมืดบอดอย่างพวกเราว่าเราต้องมาหัดทําใจกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เรารักหรือไม่รักเราบางทีเลือกไม่ได้เราชอบเลือกที่รักมักที่ชังกันแต่บางทีอของที่เราชังไม่อยากได้ก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆเช่นเสียงนินทาเห็นไหมไม่ชอบไม่คนนินทา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 ทิมข้างหลังเลยแทงข้างหลังเลยเนี่ยมันเจ็บใจตรงนั้นอนะคนหน้าไหว้หลังหลอกเวลาอยู่ต่อหน้ากันก็โอ้ยแสดงความเป็นมิตรอะไรต่างๆแต่รับหลังนี่พี่เล่นททงเอาแทงเอาเนี <laughs> ่ย <laughs> แต่ถ้าเราไม่ไปรักไปทางกับความสรรเสริญนินทาแล้วเราจะเฉยๆใครชมเราเราก็อย่าไปชอบเนี่ย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 ว่าเป็นสัรเสรหรือเป็นนินทาแต่นี่เป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นเรายังชอบสัรเสรเรายังลังเกียดนินทาอยู่พอเวลาเราได้สัรเสรเราก็ดีอกดีใจพอได้นินทาก็เสียอกเสียใจบางทีก็พูดคาเดียวพูดตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นก็ยังเสียใจอยู่นั่นเพราะยังไปคิดถึงคำนินทาของที่เขาพูดไป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 พออยากได้เงินก็ทุกข์อีกละเพราะต้องไปหาเงินหาไม่ได้ก็ทุกข์อีก <Yeah. S 2> ดูคนที่ไม่ต้องใช้เงินเน่ยไม่ทุกข์เลยเพราะสงองค์เจ้านี่ท่านไม่ต้องใช้เงินท่านมีอัฐาบริขารมีมีสมบัติแปดชิ้นทำให้ท่านอยู่ได้ลนะ่ะไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ <Yeah. S 2> หิวก็มีบาทใบหนึ่งตอนเช้าก็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 ใครด่าก็เฉยสักแต่ว่ารู้ว่าเขาด่าใครชมก็เฉยสักแต่รู้ว่าเขาชมเห็นเพชรเม็ดเท่ากำปั้นก็เฉยก็เห็นว่ามันก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนหินกินไม่ได้สู้ขนมขนมไข่ขนมกล้วยไม่ได้เพชรกินเข้าไปเดี๋ยวก็ก็ต้องตายเท่านั้นไปกินก้อนหิน กินขนมดีกว่าถ้าไปหลงอยู่ในป่าแล้วไปเจอกองเพชรกับกองกล้วยจะเอาอะไรดีจะขนเพชรหรอแบกเพชรไปหรอแบกเพชรไปแต่หิวโซนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะออกจากป่าได้เมื่อไหร่เอากล้วยก่อนดีกว่ากล้วยกินแล้วสบายอิ่มแต่เพชรเนี่ย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 เพชรมันก็เลยกลายเป็นของมีคุณค่าราคาขึ้นมาแต่ความจริงแล้วถ้าไม่มีการมีค่านิยมแล้วเพชรมันก็เป็นเหมือนก้อนเห็นก้อนหนึ่งเท่านั้นนี่คือจิตใจของผู้ที่ไม่รักไม่ฉังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะเฉยไม่ทุกข์เห็นภัยที่จะกระทบต่อร่างกายก็เฉย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 ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเคนที่คนที่ยังมีความกลัวอยู่นี่จิ้งจกตกมาจากสังหลังคาก็ยังสะดุ้งวิ่งกันเแต่คนที่ใจเป็นกลางนี่เขาก็เฉยเฉยดูไปอะดูว่าจิ้งจกตกลงมาหรือบางทีงูตกลงมาก็มีงูมันชอบมาเลื้อยไล่กินตุ๊กแกบางทีมันก็พลาดมันก็ตกลงมา พอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างพองูตกลงมานี่โกยกันเลยเนี <c oughs> ่ละ่ะถ้าอยากจะทดสอบอารมณ์ว่ า, าจิตใจไปถึงไหนแล้วก็ต้องมีอะไรมาทดมาให้ทดสอบดูว่ า, าเฉยเฉยได้หรือเปล่าพอมีภัยอันตรายมากระทบเนี่จะเฉยได้หรือเปล่าหรือใจนี้หวั่นไหวขึ้นมาตื่นเต้นตกใจงั้นมา บางคนถึงกับร้องขึ้นมาเลยเเพราะว่าแสดงว่าจิตใจนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราว่าเนี่ยวิธีที่จะให้ใจของเราชีวิตของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายให้มีแต่ความสุขเราต้องมาฝึกควบคุมใจ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 ว่าต่อไปเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เรามาตัวเปล่าๆ เ, เรามาใจดวงเดียวแล้วก็มาได้ร่างกายพอได้ร่างกายแล้วพอร่างกายโตเราก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆไปหาคอบไปหาสามีไปหาภรรยา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 เราจะแปลกใจเราจะไม่คาดฝันว่าเป็นได้เหรือเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมเวลามีข่าวคนตายขึ้นมานี่เป็นหน้าหนึ่งขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งๆเป็นเรื่องที่ทุกคนเก่ดมาแล้วต้องตายแต่พอว่าเขาตายตอนที่เขายังเป็นหนุม่มเป็นสาวท่านั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้ว คิดว่าทุกคนจะต้องตายตอนแก่เหรอไม่ใช่หรอกตายได้ทุกวันทุกเวลาทุกเพศทุกวัยทุกวัยไหมไม่ใช่แต่เฉพาะจะต้องเป็นคนแก่อายุเก้าสิบเก้าเหมือนป๋าเปรมนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะพอไม่ใช่เป็นป๋าเปรมเป็นดาราอายุสามสิบยี่แปดตายนี่เดี๋ยวข่าวขึ้นหน้าหนึ่งละ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 ให้ท่องคาถานี้ไว้จนกระทั่งไม่ลืมเนะี่ยพอไม่ลืมนวเวลามีข่าวคนนั้นตายมีข่าวคนนี้เจ็บจะรู้สึกเฉยเฉยเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องเหมือนกับมีลูกอุ ก, กาบาตกมาที่วัดยา น, นี่มันอันนั้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่มีลูกอุ ก, กาบาตมาตกที่วัดยา น, นี้อย่างไรเงั้นนะควรจะลงข่าวใหญ่ได้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 แล้วมีใครห้ามได้หรือเปล่ามีใครห้ามความตายได้หรือเปล่ามีใครห้ามความแก่ได้หรือเปล่ า, าคนที่รู้ทันก็จะไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่รู้ทันนี่โ้โหตกใจร้องไห้ขึ้นมาเลยทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปเห็นคนตายที่ได้ซ้าไปเพียงแต่มีคนโทรมาบอกก็ร้องไห้ลนะ ดีไมด่ดีคนทอมามันแกล้งเรามันหลอกเราเดี๋ยวยิงไปกอดเปนใหญ่พอกลับไปบ้านเนะี่ยไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติแต่ถ้าไม่บอกอย่งี้ไม่ยอมกลับบ้านก็เลยต้องบอกอย่างงี้เนี่ยเนี่ยใจเราเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราเป็นอย่างนี้แสดงว่าใจเรานี่ไม่มีปัญญาเลยไม่มีความรู้ความฉลาด ไม่รู้เท่าไม่รู้เท่าทันความจริงความจริงมันแสนที่จะชัดเจนเห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกแห่งทุกคนแต่กับไม่ทันมันพอมีความเจ็บขึ้นมาเนี่ยพอเจ็บท้องขึ้นมาเนี่ยตกใจกลัวเล่เป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ายิ่งถ้าเวลาไปหาหมอนี่ใจสั่นเลยไม่รู้หมอจะวิเคราะห์ว่ายังไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่า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 าสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะบังคับให้เราต้องมีร่างกายเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ใจของเราหยุดความอยากได้ก็นี่แหละต้องมาฝึกสมาธิกันมาฝึกสมาธิเพราะว่าเวลาที่ใจเราเน่งสงบนี่ความอยากหยุดทำงานแล้วขอความอยากหยุดทำงานความรักความชางังความกลัวความหนงก็หายไปด้วย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 ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้เช่นพอเรามาเห็นร่างกายพอเห็นว่ามันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายถ้าเรามีปัญญารู้ทันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ไปกลัว <ph ys> พอเรารู้ว่ากลัวก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไร <ph ys> ไปกลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่กลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวแล้วทุกข์ไม่กลัวเราไม่ทุกข์จะเอาอย่างไร <ph ys> ก็ต้องเลือกเอาไม่กลัวดีกว่า <ph ys> ไม่กลัวก็กลับไปทาใจให้เป็นอุเบกขาต่อไปทาใจด้วยสติให้เป็นอุเบกขามันก็จะไม่กลัวมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอคิดถึงการสูญเสียคิดถึงการพัดภาคจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันก็ถามตัวเองว่าละห้ามเหมือนได้หรือเปล่าเราห้ามการพัดภาคจากกันได้หรือเปล่า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 เวลาได้มามันดีนะแต่เวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราเสียใจนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปตลอดนะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันนะมันก็จะไม่รักเวลาเจอของชังก็มอนก็เหมือนกันเวลาเจออะไรไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่าเราห้ามมันไม่ได้เราอยู่ในโลกที่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 ความไม่อยากฟังเท่านั้นเองเรามีปัญหาของเราคือเราไม่อยากฟังเราลังเกียจเราชังกับเสียงนินทาเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาฝึกใจสอนใจว่าอถ้าไปรังเกียจไปชังก็จะทุกข์ถ้าไม่ชังก็ไม่ทุกข์จะเอาอะไรดีอไม่ชังดีกว่าอไม่ชังกับความสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นความนินทาพอเราไม่ชังเราก็ไม่ทุกข์ไหวเขาด่าไปเดี๋ยวเ้าเมื่อยปากเขาก็หยุดเอง ลองทําตัวเป็นเสาดูเลย้ลองไปด่าต้นเสาดูเลยด่าไปได้ไม่กี่นาทีก็เบื่อแล้วเพราะมันเฉยใครมาด่าถ้าเราไปด่าใครแล้วเขาเฉยเดีือแล้วก็เมื่อยปากก็หยุดด่าเองอ่ะอีหานี่ด่าไงมันก็ไม่รู้สึกจะรู้ว่าอะไรเลยแต่ถ้าไปด่าแล้วเห็นน้องห่มน้องห้ายโอ๊ยมันใหญ่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 จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปริปเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกบปฏติอิชิตังปะทีตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตตสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนะาราโสยะามณิโจติอราโสยะาสัพพิตโยวิวะจันตุสัพพโรโควินัสตโตมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิคาโยโกภวะ พิวาทนศสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมาวัทันติอายุวันโอสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเ a c e b o o สามร้อย t ี่สิบสี่ยูสองร้อยแปดสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่ ผู้รฟังบนเขายี่สิบหกรวมหก9้ยห้าสิบเก้าท่านค่ะอยอดเริ่มกลับขึ้นมาน ะ, ะช่วงนี้เป็นช่วงถามปัญหาใครมีคำถาม <c oughs> เดี๋ยวเชิญถามได้ใครมีคำถามก็ถามได้น ะ, ะมีคำถามเมื่อกี้มีใครอยากจะถามไม่ไม่เก็บตังไม่ต้องกลัว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 คนไข้เป็นคนตัดสินใจแต่เมนร่างกายของเขาคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ัหมถ้าคนไข้ต้องการรักษาก็ต้องรักษาสิไปฟังคนที่ไม่เป็นคนไข้คนที่จ่ายเงินเขาก็ไม่อยากจะรักษาสิใช่ไหมดงนั้นต้องฟังคนไข้นอกจากว่าคนจ่ายเงนินบอกไม่จ่ายที่นี้หมอก็ต้องฟังใครก็แล้วแต่นะ จ ะ, จะฟังคนจ่ายหรือคนไม่จ่ายนะถ้าคนจ่ายเขาบอกเขาไม่จ่ายหมอก็ต้องฟังคนไม่คนจ่ายเงินแล้วแหละใช่ไหมแต่ถ้าคนไข้เขาเป็นคนเขาจ่ายได้แล้วเขาเขาต้องการให้รักษาก็ต้องรักษาเขาไปใช่ี่ยมันอยู่ที่ถ้าพูดตามหลักแล้วมันร่างกายของใครก็คนนั้นแหละเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้รักษาหรือไม่รักษา ส่วนหมอจะรักษาไม่รักษาอยู่ที่ว่าเขาจะจ่ายหรือไม่จ่าย <laughs> คำถามจากคุณทูมัยหลวงพ่อครับทำอย่างไรจะได้เป็นพระอรหันครับไปบวชสิไปบวชไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นได้อ่าไปอ่านในพระคำภีด้วย ถ้ามีสอนไว้ใครปฏิบัติตามคำสอนได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นผ้าอะหันได้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรสมัยนี้เรียนจบปริญญายังใช้เวลามากกว่าเลยใช่กว่าจะได้ปริญญานี้ต้องสิบหกปีเรียนปฐมมัธยมสิบสองปีเรียนปริญญาตรีสี่ปีถึงจะได้ปริญญาของศาสนานี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเท่านั้นเองเร็วกว่าเยอะ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 คำถามจากคุณตะละแม่กุสุมาการศึกษาพลังจั ก, กรามีส่วนช่วยเรื่องการภาวนาไหมคะอ๋อนี่มาผิดที่นะผิดโรงเรียนนะไม่รู้คืตอตอบไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษา<ม>คำถามจากคุณบุญชู<ม>ถ้าผมอยากถือศีลแปดในวันทำงานเพราะไม่ค่อยมีวันหยุด แต่ติดตรงที่กินข้าวตอนหลังเที่ยงเพราะต้องพักเป็นเวลาแบบนี้จะได้อนิสงไหมครับไม่เป็นไรหรอกช้าไปชั่วโมงหนึ่งไม่เสียหายหรอกก็กินตอนเที่ยงน้าไม่กินหลังบ่ายโมงก็ได้เื่อนไปชั่วโมงหนึ่งสมัยนี้ประเทศต่างๆก็ยังมีเรื่องเวลากันเลยเห็นไหมเราก็เลื่อนได้เห็นไห เวลาจริงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเองใชเราก็เลื่อนเวลาเลื่อนลงไปไหนก็แล้วกันพอเวลาบ่ายโมงเป็นเวลาเที่ยงเราก็เปลี่ยนนาฬิกาเราใช่ไหมตั้งนาฬิกาให้เรามันมันมันช้าทักชั่วโมงหนึ่งฮะเวลาเที่ยงมันก็เป็นยังยังแค่สิบเอดโมงอยู่พอมันบ่ายโมงก็มันก็เที่ยงที่อเมริกาเขาก็เปลี่ยนนาฬิกาอยู่เรื่อยเห็นไหมปีละสองครั้งอ่ะ เดี๋ยวก็เปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้มันช้าลงดังนั้นมันแค่แติชั่วโมงมันไ ม, ม่มันไม่มีปัญหาหรอกได้รักษาได้รักษาไปเถอะได้อันนี้สองเหมือนกันรับประกันคำถามจากคุณเอกการบริจาคอวัยวะต้องบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญเช่นบริจาคไตหนึ่งข้างให้กับผู้ป่วย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 ขอเียนถามเพิ่มเติมค่ะแล้วในกรณีถ้ามารดาเราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งมารดาทั้งสัตว์เลี้ยงของมารดานั้นด้วยก็ได้บุญไงเลี้ยงมันดาก็ได้บุญเลี้ยงสัตว์ก็ได้บุญมันก็ถ้าเราทําก็เป็นกรรมของเรากรรมดีไงเลี้ยงมารดาก็เป็นกรรมดีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นกรรมดีขอบพระคุณค่ะคําถามจากคุณวาชิ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 ตัวที่จะมาทาลายความว่างก็คือความคิดความอยากพอมันคิดอยากจะลุกก็บอกอย่าเพิ่งลุกนั่งต่อไปอะไรถ้ามันมาคิดว่าไม่เห็นมันเลยนั่งเฉยๆไม่เห็นมีอะไรไปวิปปัสนาดีกว่าก็อย่าไปลุกมันจะหลอกเราบให้อยู่กับความสงบไปนานๆเรานวความสงบนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ทำให้จิตใจเราไม่วุ่นวายพอไปคิดปั๊บเดี๋ยวมันวุ่นวายขึ้นมาอยากขึ้นมาทันที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 พุทธเข้าโทรออกนะเหมือนสมัยนี้ไปร้านอาหารสั่งพิซซ่านี้เอาสองรถก็ได้ในฐานเดียวเราจะบอกเขาได้เดี๋ยวนี้เขามีให้เลือกใช่ไมเอืเอาสามรถก็ยังได้ลงอันนี้ก็แบบเดียวกันนะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกินอาหารนี่ อ, อาหารที่เรากินก็มีพุทธโทรมีลมหายใจเข้าออกเราจะเอาอย่างเดียวก็ได้พุทธโธรอย่างเดียวหรือเราจะเอา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 ใช่ไหมท่านไปงานไหนท่านก็หน้าเดิมทําทำไมท่านไปได้อะจริงัหมท่านสูงขนาดไหนท่านก็ยังไม่ท่านก็ยังไม่แต่งได้เลยหมดเลามีใครอยากจะถามไหมว่าไม่ถามเดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วนะหมดเวลาพอดีอ่าไม่มีนะ